ก็เป็นวันออกพรรษานะ้วันมาลืนก็รับกรถิน่นก็ถือว่าปีนี้ค่อนข้างจะเร็วมากเลยวันนี้ก็เป็นวันใหม่ของอีกหลายคนที่รับราชการคือเกษียณอายุอัตมาชอบพูดเรื่องคนแก่เพราะตัวเองก็เริ่มแก่ฟั่มหลังความเปลี่ยนแปลงสมัยอัตมามาอยู่สุก็ตัใหม่นะมาทันเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนขอไตเนี่ยอยู่บนกุฎอาจารย์ออสได้แหละกุฎอาจารย์ออสคือหอไตเก่าเมื่อก่อนจะเล็กกว่านี้ สมัยเรามามาจากสวนโมกเมื่อปลายปีศีหนึ่งนะเราก็พักที่หอไต่กันหอไต่เก่าอะ่ะตอนนั้นไปหอไต้ล้างข้างบนน่ากลัวมากเลยมีข้งคาวตัวใหญ่ตุ๊กแกตัวใหญ่ทางเดินก็นเล็กๆ ล, ล, ลงมาทําวัดที่สาระไก่สาระไก่เมื่อก่อนเป็นที่ทําวัดของวัปดป่าสุวัตโตนะไม่ใหญ่แบบตอนนี้หรอกกุฎหลวงพ่อก็ไม่มีกุฎิ จ, จารย์พระสารถ้าเดินลงไปหาที่สาราน้ําเนี่ยจะต้องแวกลงเลยนะ เพราะว่าทางที่โยมเห็นตอนนี้ไม่มีหมดละสะพานเก่าๆใช้ไม้วางไว้ก็ดูไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่สระก็เล็กไม่ใหญ่แบบตอนนี้หรอกแล้วก็จะมีดอกบัวมากมายถนนก็เล็กๆไม่ใหญ่บางทีก็ลื่นด้วยอย่างแถวหน้าการุณาละมาไม่มีถนน น, นะสมัยก่อนแล้วก็ขอตายสำนัก ง, งานก็ไม่มีมาก่อนใครจะเบิกของก็ต้องไปเอาที่สาราหน้าเนี่ยสาราหน้าเป็นจุดศูนย์รวมเลยไมวจะเป็น เบิกของฉันเช้าอรรมามาทันนะฉันเช้าบนสาราหน้าชั้นสองพวกเขาล่ามไปใต้ถุนไยแล้วมีพ้าน้อยผ้ามีแค่สี่ห้าลูกเองยุคที่มาเป็นใหม่แม่ขีก็ไม่กี่คนไม่เหมือนตอนนี้หรอกภาษานี้ถือว่าพ้าน้อยที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ยกังเยอะ ก, กับสมัยที่มาเป็นใหม่มันเปลี่ยนแปลงมากเลย ที่นี่น่ากลัวมากก่อนงูก็เยอะงูจงอางนี่ตัวใหญ่งูเห่างูเหลือมเดี๋ยวนี้หายหมดเลยไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้งูงูหายหายหาูหาดูงูเห่างูจงอางยากมากมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคนเราหีความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นตอนนี้ซีดีอาจารย์ไปสารก็ไม่มีแล้วเขาเลิกผลิตแล้วเมื่อก่อนก็เป็นยุคเทปอัดมาใหม่ใหม่ก็ใช้อัดเทปกันนะเดี๋ยวก็ไม่มีเทป มันยุคซีดีเดี๋ยวนี้ไม่มีซีดีมันยุคแฟดได้ต่อไปก็ไม่มีแฟดได้ละมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเทคโนโลยีทุกโย่าอาจจะมาไม่ทันไงในวัดนี้ก็มีอาตมากระหลกพี่หนุ่มเนี่ยมาทันอย่างอาจารย์เวลัชัยก็มาปีส8ที่กุฎามาเมื่อก่อนเป็นหนุ่มตุ๊กแกเลยตุ๊กแกขี้เหม็นปีสีเกน่ยไม่ได้จำภรษาที่ที่สุขโตไงไปจําที่บุริทิศหลวงเมธีนปีสี่เก้าไม่มีภาพอยู่กุฏิอาตมาเลยอาตมาไปอยู่ปีสีเจไปปีสีนะ เพราะตุกแกช่วยไว้ตุ๊กแกขี้เหม็นแล้วแล้วมีเยอะมากมายแล้วต้นไม้ล้มแล้วในละนาดเกกะไปหมดคือกุดสกโปกนะลกเสื่อมโซมก็เลยทำให้ไม่มีไขกลกาอยู่กลายเป็นกุดล้างทางที่อยู่ใกล้นะอันมากกับมาอีกทีก็ปีห้าศูนย์ปีห้าศูนก็มาพัฒนากุดตัวเองละแหละค่อยฟาดค่อยเก็บไม้ที่ล้มออกไปเราฟาดไก่ก็มาคุย ไก่คุ้ยไปแล้วก็ฝาดไปจนทําให้อานาบริเวณมากขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นหน้าอยู่ไปสมัสยก่อนไม่ค่อยมีอะไรทําหรอกพระก็น้อยบางทีตอนเย็นเราก็ฟาดไปไม้บางทีฝาดเป็นชั่วโมงเลยฝาดตั้งแต่หน้าหอตายวนไปทางรอบศาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าชีวิตก็สดุกดีพระน้อยเวลาทําอะไรก็โดนหมดแหละอันที่คือการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เป็นช่วงที่เจาะภาษาพระวัเราก็จะทํางานร่วมกันเยอะขึ้น เพราะว่าปเป็นเรื่องของส่วนรวมนะอย่างเมื่อวานก็ทําความสะอาดสารหน้ากันก็เห็นพวกพระไม่ชี้อนุญาตอยู่ก็ทํากันด้วยความสนุกนะการทํางานถ้าทําให้เป็นทุกนะถ้าทําเป็นเนี่ยได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างมีช่างก่ออิฐแหละกำลังก่ออิฐกันอยู่ไอคนแรกก็ทําไปทําไปหน้าตาเบื่อหนายเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวก็พัก อีกคนหนึ่งทําไปก็มองในอิกาไปแต่ขยายกว่าคนแรกอีกคนหนึ่งเหงื่อท่วมเลยทําไม่ยอมหยุดเลยอีกคนหนึ่งทําไปหน้าตาสดใสไปทํำมากกว่าสองคนแรกก็มีคนไปถามช่างคนแรกว่าทาอะไรผมก่ออิฐครับไปถามช่างคนที่สองว่าทาอะไรอยู่ผมกําลังก่อคําแพงครับไปถามช่างคนที่สามผมกําลังสร้างวัดครับ โอ้ทัศนคติของสามคนนี้ไม่เหมือนกันนะไอคนแรกเขาก็บอกว่าคุณค่าของงานแค่เกาะ อ, อิดคนที่สองคุณค่างงานคือก่ะออมแพงก็ใหญ่กว่าเกาะอิดหน่อยคนที่สามที่สร้างวัดคนที่สามมีความสุขกว่าสคนแรกนะเพราะทำไปทําไปแล้วคิดว่าเออวัด ม, มีประโยชน์นะทําให้คนเนี่ยเข้ามาทําบุญกัน มารักษาศีลมาภาวนาเป็นประโยชน์ส่วนรวมไงตัวเองก็มีส่วนร่วมด้วยค่าจ้างเป็นผลไหอยได้แต่สองคนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขาเป็นอาชีพช่างไงเขาก็ต้องทํางานเพื่อได้เงินไงเขามองแค่นั้นเองคนทั่วไปก็คิดแบบนี้แหละเวลากเกษียณก็รอว่ม่ไหล่จะเกษียณแล้ทีแต่ขณะที่ไม่กเกษียณเวลาทํางานก็ทําประขอไปทีผัดพอ่อนบ้างทําให้คุ้มค่าเงินเดือนบ้า ง, งคือ ทำแบบทํางานแบบมีความสุขไงคือหวังผลข้างหน้าแต่ถ้าคนทํางานเป็นเขาหวังผลปัจจุบันเลยขณาดที่ทํางานก็มีความสุขอยู่แล้วทําเต็มที่ให้คุ้มค่าจ้างเพราะขณะทํางานตัว ก, การงานนี่แหละก็เป็นการสอนธรรมะเราให้เรารักษาใจแต่ถ้าคนทงางมาได้เป็นเนี่ย อ, อุปสรรคเยอะมากเลยบางทีเพ่งโทษทนอื่นก็มีอย่างฝาดใบไม้เนี่ยสมมติถ้าคนขยันฝาดอ้าวบางคนไม่ชอบฝาดเนี่ยเขาไม่ได้ทําไม่ได้ฝาดาก็ไปเพ่งโทษลนะ งานที่ทำก็ได้ผลไม่เต็มที่ไงอาจจะได้ประโยชน์แค่ออกกอลังกายแต่ไม่ได้เป็นบาร ท, ทำแต่ถ้าฝาดไปไม้ขณะฝาดไปจิตก็อยู่กับมือที่เคลื่อนก็สามารถเจริญสติได้แล้วถนนทางก็เกี่ยงด้วยอาจจะได้ประโยชน์สองอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสมัยก่อนอาจารย์พมท่านเขียนเล่าไว้ในชวนมึนชื่อเนี่ยอ า, อาจมาอ่านแลวชอบคือท่านเนี่ย เกาะกำแพงอาจารย์ภูมิเป็นคนทำไรายละเอียดนะท่านตั้งใจทํามากเลยท่านเก่อเกาะ อ, อีดเพื่อทํากําแพงเนี่ยเสร็จแล้วก็มันออกยืนมาดูผลงานผลปรากฏว่ามันมีอีจุดสองก้อนที่ว่าเรียงไว้ไม่เข้าที่ไงบุ่มมันเบี้ยวเบี้ยวแต่ตอนนั้นท่านแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่าปูนแข็งแล้วท่านก็เลยเอาจิตเี่ยไปเกาะกับปูนสองก้อนน่ะอีสองก้อนอออนอ่ะเปรายงานเจ้าอาวาสขอทุบทิ้งทำใหม่ เจ้าวาดไม่ยอมจนกำแพงเสร็จท่านก็ไม่อยากพาคนไปชมเลยเพราะว่ากลัวเห็นอีกสองก้อนที่ท่านทำไงทพาพลาดท่านติดค้างขาดใจอยู่กับอีกสองก้อนนั่นแหละสามเดือนแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีโยมมาชมกำแพงท่านก็พาไป่นแหละโยมคนนี้ก็ชมว่ากำแพงสร้างสวยดี อาจารย์ผมแทนที่จะดีใจกับว่าโยมอีกโยมไม่ได้ใส่แว่นหรือไงตาทั่วหรือไม่เห็นหรือว่าอีกสองก้อนเนี่ยมันทำลายความสวยงามของกำแพงทั้งหมดเลยชายคนนั้นได้ตอบว่าผมเห็นอีกสองก้อนไม่สวยจริงแต่อีที่เรียงไปแล้วเบียบแบบมีต้องเก้าร้อยกาสิบแปดก้อน ผมมองไปที่ส่วนใหญ่ที่สวยงามเท่านั้นแหละอาจารย์ภูวังโสเปลี่ยนธัศนคติเลยชีวิตท่านเปลี่ยนเลยนะลึกอีกสองก้อนเนะี่ยทัานเลยมีความสุขขึ้นเพราะคนเราสามารถทํางานผิดพลาดได้ไนงะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะดีไนงะแต่ที่เราชอบเอาจิตไปเกาะไอ้สิ่งที่ไม่ดีไนงะไอ้จิตที่ดีไอ้ที่ส่วนที่ดีไม่ได้เกานะไงคืออย่างกระดานดําเนี่ยหลัก็ไป ม, มองจุดดำดำ ที่มีไม่กี่จุดแต่ว่ากระดาส่วนใหญ่กระดาษเปสีขาวไงเราไม่มองไงนั้นชีวิตคนเราก็เหมือนกันบางทีครอบครัวสามีภรรยาก็ไปเห็นอีกสองก้อนไปมองเรื่องที่แบบขัดใจกันขัดแย้งกันปพอควรต้องเลิกลากันไปเพราะอีกสองก้อนแล้วก็ชีวิตปัจจาบันอีกหลายเรื่องบางทีก็ที่ทํางานเดี๋ยวเจอคนไม่ดีคนไม่ถูกใจเราถ้าคนสองคน แต่คนส่วนใหญ่บางทีก็ดีกับเราเรากลับมองไม่เห็นไงจิตไปเกาะคนไม่ดีคนที่ไม่ถูกชะตากับเราเนี่ยสิ่งดีมีมากมายเลยแต่โดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมันมองไม่เห็นไงมันก็เลยผ่านความสุขไปที่วัดหนององพง์จะมีพระฝรั่งเยอะสมัยนู้นเนี่ยก็มีเดแต่ชิกกันในสต่ชิกคืออดนอนแต่มีอยู่วันหนึ่ง หลังจากนีสิชิกแล้วเนี่ยอาจารย์ภูมกับพระฝรั่งก็จะไปจําวัดแล้วเพราะที่นู่นเนิสิตชิกแล้วก็ตอนเช้าสามทำธุระเสร็จก็สามารถไปจําวัดได้แต่พระฝรั่งถูกเจ้าวาดเอาพ้ามาให้ไปย้อมต้องหลายผืนพระฝรั่งไปผ้าใหม่ก็ไปเสดไม่ได้แต่ทําสีหนาไม่ค่อยพอใจท่านก็ไปย้อมมแหละเพราะการย้อมจีวร ของพับพระป่าเนี่ยถือเป็นลุ่งยุ่งยากมากเลยนะถ้าทําตามประเพณีจะต้องต้มจะต้องตัดแก่ะขนุนเป็นท่อ น, น, นเล็กท่อนน้อยแล้วต้องเคี่ยวหิยางแก่ะขนุนมันออกมาอูซับซ้อนมากกว่าจะย้อมผ้าได้แต่ละผืนต้องเสียเวลาถ้าหลายผืนก็หลายชั่วโมงอะผ้าผ้าหลังก็ทําไปบ่นไปบอกบ่บนใบแบบไม่ฟังสุขเลย อาจารย์พรมก็ไปช่วยนะตั้งใจไปช่วยพระใหม่ตอนนั้นท่านก็บวชมาหลายปีแล้วพระใหม่ก็บ่นเป็นภาษาฝรั่งกันละบอกผมไม่ได้บวชมาเพื่อทําอย่างนี้เลยมันช่างไม่ยุติธรรมเเลยทําไมไม่ใช้ผมทํางานวันอื่นมาใช้วันที่อดนอนบ่นอยู่นั่นแหละอาจารย์พรมก็บอกพระใหม่ฝรั่ ง, งว่าท่านเนี่ยคิดมากคิดคิดยากกว่าทํานนะเท่านั้นแหละพาฝรัง่งได้สติ ถ้าก็เลยยอมยอมจีวอลโดยม่บนญท่านทางคดีเปลี่ยนเลยจากทาใบบนไปไ่รู้ว่าที่จริงความคิดแต่มันยา ก, ก่าทําตัวอาจารย์พรมเองก็เหมือนกันมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยหลวงพ่อชาให้ไปขนดินกองใหญ่ให้ย้ายดินไปหลังโบสถ์พระที่นั่นก็ต้องร่วมมือกันทําอัใช้เวลาถามต้องสามวันแดดก็ร้อนทาตั้งแต่เช้าถึงเย็น หลังจากทาเสร็จหลวงพ่อชาก็เดินทางไปเยี่ยมวัดในสาขาไงไปมาสามวันนะลองเจ้าวาก็ประชุมสงฆ์เลยบอกว่าไอ้ที่ที่อังตรงนเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะให้ย้ายที่และท่านอาชี้ที่ให้พระในวัดเนี้ยขนย้ายไปตรงจุดที่ท่านบอกอาจารย์ผมไม่ค่อยพอใจ แต่อดทนได้อยู่ก็ช่วยกันขนย้ายไปอีกสามวันหลวงพ่อชาก็มาพักก็ดีใจแนละ้วขนย้ายดินเสร็จแล้วจบภาร ะ, ะาทีหลังจากหลวงพ่อชามาหลวงพ่อชาก็ประ ช, ชุมสงฆ์เลยบอกทำไมพวกท่านถึงย้ายดินไม่ตามที่ผมบอกให้ย้ายกลับมาที่เดิมตอนนี้อาจารย์ผมโกรธมากเลยก็ด่าหลายใจอะ่ะด่าเป็นภาษาลลัง ว่าวัดนี้ช่างไรแล้วบียับสิ้นดีไม่มีกฎกติกาอะไรท่านโกรธนะเวลาเข็นดินก็โอดินหนักมากเลยต่างกับพระไทยพระไทยนี่ไม่บ่นต่างช่วยกันเข็นด้วยความสงบท่านก็บ่นอยู่นล้วแหละหน้าตาก็อารมณ์บอจอยจนในที่สุดก็มีพระไทยท่านหนึ่งบบแล้วก็บอกอาจารย์ผมว่าปัญหาของท่านเนี่ยก็คือคิดมาก อาจารย์ผมก็ได้สติเลยถ้าเลยเลิกบนแล้วก็เข็นดินไปนคนอื่นตอนนี้ดินเริ่มเบาแล้วไม่หนักแล้วไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกหนักมากเลยอันนี้ก็คือธ่าด้ติในการทำงานขออาจารย์ผมเปลี่ยนไปงานบางอย่างความคิดมันเป็นเศษถ้าเป็นงานที่ไม่ชอบแต่ถ้าเป็นงานที่ชอบเนี่ยมันทำแล้วสนุกนะการงานเนี่ยทำสนุกถ้าเราชอบ แต่เราเลือกงานไม่ได้ไงบางครั้งเราก็ต้องทํางานที่ตัวเองไม่ชอบเหมือนกันแต่เป้าหมายของงานที่ต่างกันนะบางคนก็ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบางคนก็ทําแค่ตัวเองบางคนก็ทําเพื่อประโยชน์มหาชนอยู่ที่ว่าใครคิดแบบไหนแต่ละคิดเป็นบุญกุศลเนี่ยเป็นจิตอาสาทําไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยทําแล้วมันก็มีความสุขมันมีกําลังใจในการทําไงแต่ถ้าทําหวังผลตอบแทนและผลตอบแทนไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยใจมันก็ท้อไม่อยากทํา คนทั่วไปคิดแบบนี้ไงทำเพื่อหวังเงินเดือนคือไม่ได้หวังทำงานเพื่องานการทำงานก็สามารถปฏิบัติทำได้เวลาเราล้างจานก็สามารถเจริญสติได้ล้างจานฝาดใบไม้เก็บพยาถูสาราออื่นอมากมายสามารถเป็นการปฏิบัติทําได้ถ้าเราทำงานไปแบบขอไปทีเราก็ไม่มีความสุข เพราะการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมคู่กันได้ทำกีดกระทำจิตที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณร้อยกว่าปีหรือสองร้อปีก่อนนะ่ะทางตอนใต้นะที่จังหวัดบูเซ็นเนะี่ยจะมีภูเขาสูงขวางกั้นหมู่บ้านการคมนาคมไม่สะดวกถ้าคนจะไปในเมือก็ต้องขึ้นเขาเวลาขึ้นเขาเนี่ยบางทีก็ลื่นตกเขาตายก็มี ช่วงฝนตกเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางมีหลวงพี่อยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นพระบทใหม่ท่านจาริกมาแล้วมองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณ น, นั้นท่านก็เลยตั้งใจว่าจะต้องเจาะกุโมงเพื่อให้ทะลุภูเขาจะได้เชื่อมโยงทางคนจะได้เดินทางสะดวกแหะไม่ต้องตกเขาไม่ต้องปีนเขาสูงถ้าคิดดังนี้แล้วท่านก็เลยตั้งใจอยู่ที่นี่ เพื่อทำให้สำเร็จก็เลยไปหาค้อนหาส ก, กัดมาชาวบ้านแถวนั้นแทนที่จะชื่นชมท่านกับมองว่าท่านเป็นพบ้า้วยทัา้าภูเขามีความยาวประมาณเก้าร้อยเมตรนะถ้าจะทะลุกันะก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำสำเร็จเมื่อไหร่แต่พาท่านนี้ตั้งใจทำแล้วก็ต้องทำจริงตอนเช้าก็ไปบิดบาด หลังจากฉันแล้วถ้าก็ลงมือทําทันทีก็ใช้สกัดกับคอเนี่ยวันแล้ววันเล่าดังป๊อกป๊อกป๊อกทำจนเหงื่อโสมกายเลยไม่ปี่ปากป่นทาคนเดียวจากหลวงพี่ตอนตอนทำเป็นธรรมากลายเป็นปหลวงพ่อผ่านไปยี่แปดปีแล้วท่านก็นยังทำไม่เลิกไม่อู้ไม่ต้องการทําให้สําเร็จให้ได้แล้ววันหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งมาหา ชายคนนี้เป็นซาบุไลเพื่อไม่ให้ผิดตัวจึงถามพ่าท่านคือสินไก่ใช่ไหยหลวงพ่อก็บอกใช่ท่านชื่อสินไก่ท่านก็รู้ว่าชายคนนี้มาทําไมเพราะในอดีตสมัยที่ท่านยังไม่บวชเนี่ยท่านเคยเป็นคนรับใช้ของขุนนางบ้านโชกุลแล้วเป็นมีเป็นวิชูกับภรรยาไงเพราะท่านเป็นหน้าตาดีสามีของนางจับได้ก็เลยตรงเข้าถือดาบไล่ฟัน ดักสบู่ลายนะท่านก็สู้แบบจนตอกอะ่ะแล้วก็พังมือฆ่าเจ้าหนายตายแล้วก็พาภรรยาเนี่ยไปอยู่กินด้วยกันตามภาษาชู้ตอนหลังท่านสํานึกได้สํานึกผิดไนงะว่าตัวเองอทําบาปฆ่าผู้อื่นพระคุณจึงเลิกกับภรรยาแล้วก็มาบวชเพื่อไถ่บาปแต่ขุนนางก็เป็นลูกชายนะตอนนั้นลูกชายก็ยังเล็ก ลูกชายหลังจากฝึกสบายสําเร็จก็ตามหาท่านมาตลอดจนตามเจอหลวงพ่อสินไกรบอกว่าเดี๋ยวให้ทางานสําเร็จก่อนให้ขุดอุโบทะรูกันเสร็จแล้วก็จะมอบศีรษะให้ตอนนี้ท่านกแก่มากแล้วขอผัดผ่อนชายหนุ่มก็เห็นว่าท่านทาประโยชน์กับส่วนรวมแล้วแก่แล้วก็เลยยอมแล้วก็พักอยู่ด้วยกันครึ่งคืนก็ได้เสียงป๊อกป๊อกป๊อกชายหนุ่มก็ไปแอบดู ทีก็ระแวงกะจะฆ่าทิ้งตั้งแต่คืนนั้นเลยแต่ใจก็คิดว่าโอ้โหนี่หรือคนที่ฆ่าพ่อเราทำไมเป็นคนที่ดีแบบนี้ขยันแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนใจแต่ก็ระแวงนะอยู่กันด้วยความระแวงแต่อยู่ไปนานๆชายหนุ่มก็รู้ว่าหลวงพ่อซีนไก่ไม่มีอะไรทำงานทั้งวันด้วยความขยันขันแข็ ง, แ, ขงและเพื่อให้อูโบทะลุเราเร็ว ชายหนุ่มก็ไปช่วยขุดด้วยจนในที่สุดก็สามารถเจาะ อ, อุโมงค์ภูเขาทะลุกันได้เก้าร้อยเมตรแลังจากทเสร็จแล้วหลวงพ่อสินไก่ก็ก้มหัวให้กับชายหนุ่มบอกตอนนี้ถึงเวลาที่จะมอบศรีรษะให้แล้วชายหนุ่มก็ก้มศีรษะเหมือนกันบอกว่าผมจะฆ่าอาจารย์ผมได้ยังไงเรื่องนี้ก็จบหลวงพ่อสินไก่ขุดภูเขาใช้เวลาสามสิบปีนะ สาปีจะเป็นเป็นสิ่งที่คนทํายากถ้าไม่มีเป็นิธานยิ่งใหญ่อะทําไม่ได้หรอกแกต้องทํางานไปมีความสุขไปถึงทําสําเร็จนะอันนี้ถ้าเร า, า, าจะท้อใจก็นึกถึงหลวงพ่อสินไก่อันนี้เรื่องจริงตอนนี้ก็ก็ปรับปรุงให้อุโบมงภูเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าสมัยก่อนภูเขาที่ทะลุ ก, กันจากละมือมนุษย์เวลาทํางานเราก็อย่าลืมธรรมะอยู่บ่วงหนึ่ง บวชสังฆาห า, หาวัตถุสิถ้าใครมีเราก็ทํางานมีความสุขได้ปวชทำบวดเนี่ยเป็นหมวดทําให้คนรักเราไม่เกลียดเราแต่ถ้าเราไม่มีบวชทำเนี่ยคนไทยคนเกลียดเราได้คือหนึ่งให้ทานทานก็นคือแบ่งปันของให้กับคนที่ควรให้อันนี้ปงเล็บไว้ต้องให้ของคนที่ควรให้อาจจะเป็นพิสุสามเณรแม่ชีคนรู้จักหรือคนยากจนคนที่ลำบากเดือดร้อนเนี่ยถ้าเาเห็นว่าสมควรช่วยเราก็ช่วย ข้อที่สองปิยาวาจาปิยาวาจานี่ก็สำคัญนะพูดยาอ่อนหวานให้กำลังใจก็คือพูดส่งเสริมให้ทำความดีคือไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียพูดเพอเจอ้ออันนี้ถ้าเราไม่พูดแบบนี้เวลาใครมาวัดแล้วก็ชี้แนะครูบาอาจารย์แนะนำสถานที่ทำให้คนมามีความสุขไนงะแต่ถ้าเราบางทีพูดทำร้ายน้าใจเขา อันนี้ก็ไม่ใช่ปีญะวาจาแล้วกระทำคนเกลียดได้นะเรื่องคําพูดเนี่ยถ้าคนที่ปากหวานพูดดีคนก็รักคนปากเสียพูดทําร้ายลำใจคนก็เกลียดมาข้อที่สามอัฏฐจริยาอันนี้คือตั้งจิตบำเพ็ญประโยชน์กระส่วนรวมก็การบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยโอ้โหทำได้เยอะแยะหมดเลยอยู่ที่เราจะทํอย่างไงถ้าเรามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเวลาทําไปเราก็มีความสุขนะคนก็รักเรา แล้วมาข้อที่สสมานัตต า, ตาคือการวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายข้อนี้ก็สําคัญถ้าเราวางตัวไม่เหมาะสมรู้จักกาเทสะผลักเกียรตดเราได้นะอย่างถ้าใครอยากคนเกียรติก็ทับตัวข้ากับสังภาห า, หาวัตุสิ่คนจะเกลียรดทันทีเลยอย่างข้อแรกเราขี้เหนียวไม่อยอมช่วยเหลือใครไม่อยอม ท, ท, ทําบุญทำทานเนี่ยคนก็ไม่ชอบเราละคนเห็นกัตัวเนี่ยแล้วก็ามาพูดจาไม่ค่อยดี พูดจาที่แบบทำรายน้ำใจคนละล้เกลียดแล้วก็ไม่ทําประโยชน์คนอื่นเห็นก็ไม่ยอมทาประโยชน์ประเพณประโยชน์อะไรเนี่ยคนก็ไม่ชอบแล้วก็วางตัวไม่เหมาะสมวางตัวไม่ดีบางทีร่วมเกินผู้ใหญ่ตีเสมอท่านอะไรบ้างท่านแบบเนี้ยคนก็ไม่รักอันนี้สังข า, าหาวัตถุสี่จึงเป็นธรรมะข้อสำคัญที่สามารถใช้รู้วิธีการทํางานได้ทําให้การงานเนี่ยลับลื่นเราช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือเรา ล้วแบ่งปันเขาก็แบ่งปันเราทำให้ในที่นั้นมีความสุขอนาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอยาตโยมมีความสุขมีความเจริญธรรมยิย่งขึ้นไปทีวัง